พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่31ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่ารักติดพบติดชาติ วันนี้เป็นวันที่ส1อตุลาคมพุทธศักราช255 5ารเมื่อวานเป็นวันวันออกพรรษาวันออกพรรษากับวันไม่ออกพรรษาพวกเราสังเกตรหรือมันมันต่างกันตรงไหนวะมันมืดกับแจ้งอย่างเก่าฮแต่วันนี้ทราบว่าบังไฟพญายนาคขึ้น สามร้อยแปดสิบลูกกับว่ากันกนะพุดนะระดับอเมริกามาสํารวจใช่ไมไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันสํารวจทางดาวเทียมเลยเเป็นของแปลกประหลาดใช่ไหมแล้วก็ปีนี้ทราบว่าวันออกพรรษาไทยกับลาวเนะี่ยไม่ตรงกันนะเมื่อวานเป็นวันออกพรรษาไทยน แต่วันนี้เป็นวันออกพรรษาลาวแต่ขนาดตะกอนถ้าว่าเป็นวันออกพรรษาไทยนี่บ้างไฟจะขึ้นน้อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะขึ้นสามร้อกว่านี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแสดงว่าพญานาคไทยกับพญานาคลาวกําลังปองรองกันเหมือนกันพญานาคไทยกับพญานาคลาวกําลังปองรองกัน เออเอาเดี๋ยวจะคอยคอยดูว่าเย็นนี่นะพญานาคทางลาวเนี่ยจะปล่อยบ้างไฟขึ้นมากขนาดไหนฮะจะรู้กันตอนเย็นนี่แหละแต่ว่าบางไฟพญานาควันออกพรรษาไทยเนะี่ยสามร้อยแปดสิบตั้งแต่น้องคายจนถึงบึงการนะสำรวจโดยดาวเทียมของอเมริกาพ่านะนงฟังดูไม่ใช่ธรรมดานะ แต่หลวงพ่อบอกว่าบังไฟพญานาคบังไฟไม่พัฒนาจุดมาปีไหนก็ปีเก่ามีแต่สีสีส้มกับแดงเหลือๆขึ้นมาฟุดขึ้นมาท่านเองไม่เหมือนบังไฟญี่ปุ่นฮะบังไฟญี่ปุ่นจุดต้มขึ้นไปเป็นดอกเป็นดวงพัฒนามนุษย์นี่พัฒนาเร็วกว่าพญานาคฮะ พญานาคนมนานมาแล้วจุดเท่าไหร่ก็เท่าเก่าแต่มนุษย์เนี่ยแปลกก็เลยสนใจว่ามันขึ้นมาอย่างไรวะมันขึ้นมาจากน้ำํำถ้าจะว่ามันเป็นแก๊สมันทําไมมันเป็นแก๊สแต่เฉพาะวันเดียวแต่ ว, วันอื่นๆทําไมไม่มีแก๊สนะเพอร์เบอกว่าอาจจะให้ใคร ลงไปมุดจุ่พื้นน้ำแล้วจุดบ้างไฟขึ้นมากะมั่งหะโอ้โหน้ำโขงไม่ใช่น้ำในกระลมังเมื่อไหร่อันตรายมากใครจะไปกล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่แนวความคิดอีกเหมือนกันนะั่นแะแต่ไม่ใช่ทำมันมาทำตั้งแต่พวกเราก่อนพวกเราคิดอีกต่างหาดมันก็ของแปลกเหมือนกันนะ ของในโลกเนี่ยของพิสูจน์ไม่ได้มันมีมากเพราะนั่นเราจะไปคิดว่าเรารู้หมดทุกอย่าง ใ, ใครก็ตามถ้าตัวเองบอกว่าตัวเองรู้เก่งกว่าใครทั้งหมดน่นแสดงว่าความโง่ของเราเนี่ยปล่อยไกลออกมาตัวเบลเลบละนะ่าเพราะในโลกเนี่ยมันสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีแต่งเยอะแยะไปแต่ถึงไงเราจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ เ, เหมือนกันระวัง งมงายโง่เขล า, า, าอีกทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องฟังเอาไว้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่บางครั้งถึงจะ ก, การเวลาก็เถอะพิสูจน์ไม่ออกเราก็ตายไปก่อนพวกลูกหลานเกิดทีหลังพิสูจน์ต่อไปอีก สรุปแล้วก็คือไม่มีที่สิ้นสุดโลกเนี่ยพวกเราคิดดูสิที่ว่าทุกวันนี้ก็ว่านาซ a นาซาใช่ไหมที่พิสูจน์ท้องฟ้านภาลัยดวงดาวต่างๆเขาพิสูจน์ก็ได้พิสูจน์ดาวกี่ดวงใช่ไหมสำรวจพระจันทร์สำรวจดาวอังคารแล้วดาวในท้องฟ้าล่ะ พวกเราดูสิมันมากขนาดไหนแต่เขาก็บอกว่าไอด้ดวงเล็กๆนั่นดวงเล็บปีนั่นเผอยังใหญ่กว่าดวงที่เราสํารวจที่อีกต่างหากแต่มันอยู่ไกลฮเขายังพูดอย่างนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นดาวในท้องฟ้าเนี่ยมากมายขนาดนั้นนะ่ะแต่ละดวงเนี่ยเขายังสํารวจไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งในโลกในสิ่งที่ลึกลับปริลับมีมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจังตรัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจะว่าสยามภูสยามภูรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่างจะดาวดวงไหนอะไรเนี่ยท่านบอกท่านรู้ท่านก็เลยเปรียบเทียบ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ห้ารรูปเสด็จไปในลิมสระอยู่ในป่าแห่งหนึ่งจากนั้นแสดงธรรมเทศนาให้แก่พระสงฆ์ที่มาร้อมรอบเพราะว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าถ้าไปสถานที่ใดท่านจะมองดูพระสงฆ์ท่านจะให้ธรรมะและอบรมพระสงฆ์ กลุ่มไหนที่บำเพ็ญบรารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพระองค์ก็จะเปรียบเทียบหรือจะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นก็เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้สําเร็จอย่างน้อยก็เป็นผู้มุ่งมั่นว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงมากกว่านั้นก็ได้สําเร็จพรัสดาพระสกทาคานาคาสําเร็จพร ะ, พร ะ, รพระหัน์ เพราะพระองค์จะมองดูพระสงฆ์แต่แต่ละองค์เนี่ยบาร ม, มีไม่เหมือนกันบางองค์ก็บาร ม, มีแก่กล้ากอรท่านก็พร้อมที่จะเอาธรรมะขั้นสูงให้จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแต่บางคนก็เอาได้ยึดมัน่นในพระไตรสาระนคมจิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีตายแล้วเกิด ได้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะเขาจะไม่ทำความชั่วแต่ถ้าว่าบุคคลบางคนก็บอกตายแล้วศูนไม่เห็นมาบอกตายเลยเห็นหายเงียบไปเผาแล้วจบจบไปไม่เห็นมีอะไรถ้าพูดอย่างนั้นก็อันนี้พวกนี้แปลว่ามันยังอยู่ยังปะทะประมะอยังเป็นผู้ไม่สามารถที่จะส อ, สอนได้ โลกันตะพวกนี้นเป็นพวกโลกันตะไปว่าเป็นผู้มืดบอดไม่เปิดประตูไม่เปิดความรู้สึกออกมาศึกษาภายนอกเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มองดูสรรพสัตว์ดวงวิญญาณทั่วไตรโลกเนะี่ยมีมากมายแต่ใ น, นท่านก็พูดท่านไปกวาดใบไม้ประดูในบริเวณะนะั้น ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งประทับนั่งอยู่ในป่าขอบสระน้ำํำอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นที่สงบสงัดท่านก็กวาดเอาไใบประหารของท่านไปกวาดใบไม้มารวมกันแล้วท่านก็กรรํากําใบไม้ประดู่ขึ้นมากําหนึ่งตั้งปัญหาถามพระสงฆ์ที่มาร้อรอบตั้งห้ารอกว่ารูปดูก่อนพระสงฆ์ใบไม้ประดู่อยู่ในกํา ม, มือของเราเนี่ย กับใบไม้ประดูที่มันหล่นในพื้นดินเนี่ยอพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าฉไหนว่ากำไม้อยู่ในกํามือของเราเนี่ยกับที่มันหล่นอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ดูอยู่แล้วกำไม้อยู่ในกำมือกับที่มันหล่นกำไม้อยู่ในกํามือกันหน่อยเดียวที่มันหล่นอยู่นะ่ะเกินไปหมดพระสงฆ์ก็ตอบกลาดทูลพระพุทธเจ้าอว่า กําไม้ใบไม้ประดู่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองคนะ์มีอยู่หน่อยเดียวมีกํามือเดียวแต่ใบไม้ที่บัร น, นุล่วงหล่นอยู่ในแผ่นดินนี่มากกว่าพระเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละชั้นใดภิกษุทั้งหลายที่เราได้ตัดสู้ที่โครนต้นโพที่ว่าอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเหมือนกับใบไม้เนี่ยมันเกลือดอยู่ในแผ่นดิน มันอยู่ในสถานในไรเรารู้หมดความรู้ของเรากว้างขวางแตกฉานรู้ได้หมดทุกอย่างเราจะรู้เรื่องอยากจะรู้เรื่องอะไรยาณรัศนะของเราพร้อมที่จะรู้ได้หมดทุกอย่างแต่ว่าที่เรานําคำสอนมาสอนพวกท่านทั้งหลายนั่นแ่ะเราไม่ได้เอาทั้งหมดในแผ่นดินมาสอนเรานํามาสอนเพียงกํามือเดียวเท่านี้แหละที่เรา พระธรรม 84%00 มพระธรรมมขันที่เรานำมาสอนพวกท่านทั้งหลายคือใบไม้อยู่ในกำรร ม, มือของเราถ้าว่าสิ่งที่เรารู้วิธีการทำลูกกระสุนยังไงทำระเบิดยังไงจะฆ่าคนยังไงวิธีการทำศัตราอาวุธเรารู้แต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความผาสุกไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ของมวลมนุษยชาติแต่ทำคำสอนของเราที่เอามาสอนพวกท่านเลยพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันควรจะมีน้ำใจยังไงต่อกันควรจะมีเมตตาอย่างไงต่อกันควรจะมีศีลมีกฎระเบียบยังไงต่อกันในเมื่อเป็นฆราวาสควรจะทำตนอย่างไรฆราวาสหญิงชายควรทำตนอย่างไร เมื่อเป็นพระนักบวชคนทำตนอย่างไรอันนี้คือเรานำทมคำสอนที่ออกมาสอนพวกท่านเป็นไปเพื่อความพาสุกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกรหลุดพ้นจากอาวกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกที่เรานำทมคำสอนให้เพื่อหาวิธีคลายไม่ให้จิตใจของเรายึดมั่นติดอยู่ในโลกจนเกินไป อย่าไปล้มหลงมัวเมาจนเกินไปนะเพราะนั้นทำคำสอนของเราจึงได้สอนมารักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ท่านบอกว่าอดีตชาติหรือว่าอะไรเนะี่ยเราก็รู้นะพ่าสมัยหนึ่งพระสงฆ์พูดเรื่องลูกศิษย์ของพระมหากัสปะ ทุกสิทิ์ของพระมหากัสริยเทระสององค์รักกันไปที่ไหนไปด้วยกันไปบิณบาตพร้อมกันกลับมาใครแค่ว่าบริขารองค์หนึ่งใช้แทนกันแปลว่า อ, อยู่ด้วยกันบริขารมีอะไรเปลี่ยนใช้แทนกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกัน พระสององค์นั้นรักกันมากพระสงฆ์ทั้งหลายเอ้ยพระสององค์เนี่ยทาไมมีความสนิทสนมรักกันมากจริงๆเห็นๆแล้วไม่มีองค์ไหนที่จะรักคาว่าทะเลาะบิแว้งกันไม่มีมีแต่ความให้อื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกันพระสงฆ์ก็เลยมาสนทนากันในศาลาใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยทิพโสตะคือหูทิพนะ ท่านก็ลงมาถามว่าประสงค์สนทนากันด้วยเรื่องอะไรไประสงค์ก็เลยกลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าแนะ่ลูกศิษย์ท่านพระมหากัจจปะเทระเนะี่ยมีความพร้อมเพียงรักกันจริงๆแต่ไม่ใช่รักแบบโลกสงสารนะรักกันด้วยมีความหวังดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีความพึ่งพาอาศัยกันปฏิบัติธรรมโดยศีลสมาธิปัญญาคําว่าทะเลาะบิ่แพ่งกันไม่มีบริขาร ใช้เปลี่ยนกันนะใช้ร่วมกันในการใช้บริขารหาได้ยากติพระพระสงฆ์จะเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าดูก่อน ส, อสมัยก่อนเนี่ยเคยมีอย่างเนี้ยพระสงฆ์เลยถามกาบทูนถามพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง คนจันทานเกิดมาในท้องเดียวกันพอเกิดมาแล้วก็รักกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่นี้ก็ะปอไปแสดงคนจันทานเขาดูถูกเกียรติยา ม, มากแต่นี้เขาก็ไปแสดงไปแสดงเอเ อ, เอคอนเสิร์ตนะ่ให้คนทั้งหลายฟังท่นี้พอแสดงเสร็จแล้วเนี่ยคนทั้งหลายพอรู้เป็นลูกจันทานเขาก็เลยโอ้โหล้างหูล้า ง, างตาพวกพรามทั้งหลายเขาดูถูกอย่างมาก จากนั้นก็คอ้อนเขากระทบตีอีกเฮเอเอมึงจะมาหลอกไงมึงเป็นจันทานมยายกปหารเรื่องคอนเสิร์ตแถวนี้เหรือลักษณะอย่างนั้นเออโอ้โหรู้สึกเสียอกเสียใจอย่างมากโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะนี้เราอยู่ในชุมชนไม่ได้แล้วเราควรไปบวชเป็นฤาษีนะพอเนี้ยไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญอยู่ในปา่าพอตายไปแล้วไปเปิดไปเกิดเป็น เป็นสัตว์นะเป็นกวางนะขนาดเป็นกวางก็ยังเกิดในท้องเดียวกันก็ยังรักกันสองพี่น้องนะไปกินอาหารเสร็จแล้วก็มาก็เอาเขานอนกายกันแล้วก็หลับเอาปากนะจดกันฮนะผลที่สุดพรานมาเห็นพรนะานก็เลยฆ่ากวางแตนะตายทั้งคู่นะพอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกอกีกนกเขาอีกนะก็เกิดในท้องเดียวกันอีก รักกันเอกเนี่ยนกเขาสองตัวไปหากินเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็นนะเอาหัวกายกั น, เ, นเหมือนกับพี่น้องรักกั น, นผลในสุดพา น, น ก, ก็มาฆ่าอีกตากเยเอกพอจานั้นผู้น้องชายเนี่ยไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นดินแต่ผู้พี่ชายเนี่ยไปเกิดเป็นลูกของพรามปโลโหิต ห่างกันอนะนัตติไอนะแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินนี่พอได้เป็นได้เสวยราชเป็นพระเจ้าเป็นดินระลึกชาติได้โมว่าข่าพระเจ้าสมัยก่อนเคยเป็นคนจันทานนะรักพี่น้องรักพี่มากแต่เดี๋ยวนี้หายไปไหนแต่ลูกผู้เป็นโปโลหิตเนี่ยไปบวชน่าเบื่อจริงระลึกชาติทนหลังได้ทั้งสี่ชาติพู้เนี่ แต่พระเจ้าเป็นดินและลึกชาติคนหลังได้ชาติเดียวคือเกิดเป็นคนจันทานแต่ลูกโปโลหิตและลึกชาติได้เกิดเป็นลูกจันทานและก็เกิดเป็นกวางและก็เกิดเป็นนกเขาและก็มาเกิดนี่แหละเป็นลูกปุโลหิตเนี่ยแต่และลึกชาติย้อนหลังไปว่าที่มาเกิดเป็นลูกจันทานเพราะทํากรรมทุจริต ทำกรรมชั่วเอ่อทำกรรมชั่วก็เลยมาเกิดเป็นเกิดต่ําตกต่ำนะเพราะทำกรรมชั่วเกิดเป็นคนสุดจริตก็คือคนดีฮะอันนี้ทศจริตมันก็คงจะภาพรวมมากมายหลายๆอย่างแ้วเกิดเป็นคนทศจริตในชาติที่แล้วพอมาเกิดเนี่ยพอตายแล้วมาเกิดเป็นตกนรกเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นจันทานนะ ออกจากจันทานเสร็จแล้วก็ไปเป็นฤาษีมันยังไม่หมดกรรมอีกนะยังมาเปิดเป็นกวางอีกเพอกวางเสร็จแล้วยังไม่หมดกรรมอีกมาเกิดเป็นนกเขาอีกกรรมมันต่อเนื่องนะเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วมาทําแล้วมันจะให้ผลติดต่อ น, นอนเนื่องไปหลายภพหลายชาตินะจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปโลหิตเปโลหิตทีนี้ก็พระเจ้าเป็นดินะระลึกชาติทนหลังได้ อะไรเอ๊ะผีชายของเราไปไหนวะไความรักตัวนี้ยังติดพบติดชาติอยู่นะความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีจุดนี้นะคือความหวังดีต่อกันก็นเลยหาคนนักแสดงแต่งเพลงขึ้นมาไปร้องกล่อมไปทุกแห่งหนวนะนเพลงนี้เพลงพระราชาชอบมากนะในเนื้อหาสารเพลงเขาบอกสมัยก่อนเมื่อเราเป็นจันทาน เ, เมื่อเราเป็นคนทุก เราได้อยู่ด้วยกันกับพี่แต่บัด น, นี้พี่ชายของเราไปอยู่นักสถานที่ใดลักษณะนั้นคนละ้คล้ายกับคนอื่นไม่รู้ความหมายหรอกแต่ถ้าว่าครล้า่าแบบลมลมแรงๆแต่ตัวเองนะ่คิดว่าระลึกระลึกชาติโหนหลังได้จากนั้นก็ับลือสนะีผู้เป็นลูกโปรเฮตเนี่ยโอ้ข่าในหน้าเบือจริงๆ ละลึกชาติผลหลังใดทั้งสี่ชาติมันเป็นชาติที่ล้มลุกคลุกคานจริงจริงแล้วเราจะไปอยู่ทำไมในโลกนี้เราควรจะหนีไปอยู่ในป่าบาเพ็ญเป็นลือีดีกว่าเพราะชีวิตของเราเนี่ยน้อยนักดูสิอายุร้อยปีเนี่ยสิบปีแร ก, กเป็นเด็กสิบปีสองเนี่ยเป็นหนุ่มกำลังเป็นวัยเป็นวัยกาลังคึกขนอง แปลว่า10บที่สมเนี่ยกำลังสมบูรณ์เต็มที่10ที่สนี่แค่ว่าสติปัญญาของเราเสมบูรณ์ 10- ที่ห้านี่การงานของเราเฟื่องฟู10ที่6เนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยกำลังเสื่อมถอยทั้งสติทั้งปัญญาทั้งาธาตุขันเสื่อมถอย10ที่7ดเนี่ย มีตั้งแต่ความร่างกายของเราจนหนังเหี่ยวหลังโก่งไปแล้วท่าสิบที่แปดเนี่ยทุกพลภาพเห็นได้ชัดสิบที่เก้ า, อามองโลกวัตฏสงสารนไม่สีวิไลเสียแล้วทุกอย่างสิบที่สิบ คือร้อยปีเนะี่ยนอนอยู่กับที่อันนี้คือชีวิตของมนุษย์นะท่านโปโลหิตลูกโปโลหิตที่จะบวชเป็นลือสีนะเพราะนั้นเราจะไปลุ่มหลงมัวเมากับชีวิตเนี่ยเออมันก็เพียงแค่นี้แต่ละสิบละสิบละสิ บ, สบดูสนะิถ้าคิดเป็นแยกเป็นแบ่งส่วนออกมา น, ะนี่แหละจากนั้นเธอก็เลยไปบวชเป็นลือสีอยู่ในป่าปาเพนตบปะหาทาง บำเพ็ญคุณงามความดีอย่างน้อยก็ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราไปอยู่ในป่าเนะี่ยท่านก็ไปบปําเพ็ญแต่นี่พระราชาเนี่ยก็คิดถึงพี่ชายแต่งเพลงไปจนพี่ชายมาอยู่ที่อุทยานทราบข่าวโอ้อันนี้เป็นเพลงเป็นเพลงที่น้องชายในอดีตชาติเขาพูดขึ้นมาพระฤาษีก็เลยบอกเออนะไปบอกพระราชาด้วย นี่นะลือศีท่านนี้มาอยู่ในป่าอุทยานต้องการพบถ้าเพลงตัวนี้แหละจะได้ชัดเจนทางวามาพบลืีนระีพระราชาได้ยินเท่านั้นแหละก็เลยสเสด็จออกมาก็มาถามไถยบอกว่านี่พระองค์เนี่ยระลึกชาติได้แต่ชาติเป็นจันทันแต่เราเป็นลือศีเนี่ยเราระลึกชาติได้ทั้งสี่ชาติติดต่อกัน เพราะนั้นชีวิตของเรานนหน่าเบื่อจริงๆเพราะนั้นพระราชาจะไปล่มห ล, มลงมัวเมาติดกับโลกวัฏสงสารนะให้บอมเพนคุณงามความดีให้บอมเพนตะปะเถอะเออเอาละการคองราชขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอเพราะอายุมากแล้วเออปลาเข้าไป6 0ส0สก็มาแล้วควรจะพอเนอ่ฤาษีที่เป็นพี่ชายสอนน้องชาย แต่น้องชายบอกว่าผมจะแบ่งสมบัติให้พี่สักครึ่งหนึ่งเลยให้ฤาษีให้ออกมาศึกออกมาผมจะให้ทุกอย่างให้ท่านแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งพระฤาษีบอกว่าโอ้ไม่เอาละน้องเยน้องอย่าไปติดกับโลกวัฏฏสรงสารนะชีวิตของคนเราเนะี่ยนพะฤาษีก็แบ่งแบ่งชีวิตให้ดู อ, อายุ1ิปี20ปี30ปี ส0ปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีพออายุถึงร้อยมีนอนนอนอยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่กับที่ช่วยตนเองไม่ได้อีกต่างหากนี่แหละชีวิตของมนุษย์มันมีเพียงแค่นี้นะน้องนะอย่าไปรุ่มลงในขณะนี้ควรจะบำเพ็ญตะปะบำเพ็ญสมาธิเพื่อจะไป สู่ภรโลกภายภาคหน้าชีวิตยังยืนยาวอีกต่างหากถ้าไปอยู่พรหมโลกแต่มนุษย์เนี่ยเพียงร้อยปีขนาดนี้ก็ยังทนทุกข์ทรมานน้องนะจากนั้นลือสีก็เหาะเลยเพราะท่านมีฌานไะทางพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเโอ้สลดสังเวชใหญ่กลับมาถึงเวียงวังแล้วยมอพระราชสมบัติให้แก่ลูกจากนั้นก็หนีไปบวชในป่า ลือีผู้พี่ก็เลยมารับเอาไปอยู่ด้วยในป่าหิมะผ่านนะนี่แหละในชาตินั้นเราตถาคตเนี่ยเป็นลือีอยู่ในป่าพระเจ้าแผ่นดินน้องชายของเราก็คืออาโนนนะทันวาเ น, ะนี่อานอนนเนี่แหละเราบำเพ็ญมาบางพบบางชาติเรากลรกรักน้องของเราเไม่ใช่รักแบบการ ม, มักกิเลสนะ รักแบบว่าความเอื้อเฟื้อเอื่ออารีมันติดแน่นอยู่ในจิตใจใครก็พึ่งพาอาศัยกันด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆนี่แหละอันนี้แปลว่าบาปบุญกุศลติดพบติดชาติในหมู่มนุษย์ชาติเพราะนั้นเราจะไปมองคนอื่นบางคนเออทำไมเขาจึง รักกันบางทีเขาจึงเกลียดเกลียดกันเขามาไมจึงโกรธกันเขาไมจึ ง, มงผูกพยาบาทอาคาดจองเวรต่อกันมันเป็นมาเป็นไปทั้งนั้นนะในชีวิตของมนุษย์คนเราเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้น พวกเราได้เกิดมาในได้พบพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่มันเป็นคุณงามความดีควรจะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วอย่าทำถ้าทำไปแล้วมันจะติดภพติดชาติไปในทางที่เลวในทางที่ไม่ดีเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ถึงเราทำดีเราก็ไม่เห็นจะทุกข์ยากลำบากทุกจนอะไรเราสบายใจอีกต่างหากนะแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันทุกข์ในจิตในใจ คิดมาเมื่ อ, อไรก็ทุกใจอยู่ตลอดอทุกในใจตลอดไปนอนหลับนอนตื่นอะไรก็จิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะนั้นทำทำไมสิ่งที่มันไม่ดีทำสิ่งที่ดีเราจะได้สบายใจของเราตลอดไปนี่แหละอันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามาพิจารณาการกรองดูสิไตรตรองดูสิหาเหตุผลคิดดูซิจริงไหม พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้นำทำคำสอนของพระพุทธองค์มาสอนพวกเราเพียงใบไม้อยู่ในกามือฮะแต่ที่พระพุทธองค์รู้นะมีมากมายแต่มันไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวพวกเราท่านทั้งหลายใครจะรู้ขนาดไหนก็เถอะนาซาที่เขาเก่งๆเขาพิสูจน์มาเรืยอว่ากี่ปีกี่เดือนมาแล้ว เขาพิสูจน์ได้แต่พระจันทร์กับดาวพระอังคารสองสามดวงท่านเองดาวในท้องฟ้านเป็นกี่หมื่นกี่แสนเนะ่ยเขายังสำรวจไม่ได้นั่นแหละสิ่งถ้าสำรวจไม่ได้ก็แสดงว่าเขาไม่รู้เขายังโง่อยู่จุดนั้นฮะอแต่เขาก็บอกเขาไม่ไม่ใช่เขาไม่โง่ว่าเขาเขาก็ไม่ว่าเขาโง่นะเพียงแต่เขาว่าเขาไม่รู้เฉยๆแต่ความไม่รู้น่ะคือความโง่ส่วนหนึ่งฮะ วันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดอยู่ในโลกมีมากลากหลายถ้าเราไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่มีสิ่งที่เปรียบเทียบในเมื่อเราเปรียบเทียบแล้ว เ, เราก็จะรู้ได้ว่าเออเราจะวางตัวอย่างไรใ น, ในชีวิตของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดชีวิต10ปี10ปี10ปี10ปีในหลักของพุทธศาสนา มันติดนักปรดชญานให้แนวความคิดเอาไว้เราจะวางตัวยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธนะรับพร